แต่ประการสําคัญไอ้ตัวรู้ซื่อื่อไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยแต่ว่าใครทําใจรู้ซื่อื่อได้เนี่ยจะไวมากในวิธีการอันนี้เนี่ยที่น้องแบมปีนี้ก็เลยว่าให้แฟนสร้างบันให้ใหญ่หน่อยปีหน้าจัดที่บ้านเลยเงั้ น, นนะปีนี้เราไปเช้าเชิดศึกษาเรื่องนี้มากขึ้นนะแล้วนั่นเองถ้าหากว่าคนต่างประเทศเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยต้องสอนเขาได้ในการที่จะสอนเขาได้ต้องสอนใครได้ก่อนสอ น, สอนตัวเราเองแด้ก่เพราะฉะนั้นตอนแรกเนี่ย ใหนะ้ขยันทำาน่ยมันเป็นแปลกนะขยนันทำเพราะว่าเป็นเป็นอะไรบางอย่างที่มันทำให้เกิดความรู้สึกมันเป็นพลังพอดีตอนนั้นที่มาได้คำตอบตรงนี้ว่ามันเป็นแง่ของวิทยาศาสตร์ใครรู้จักลเตอรวันลบเปียแมนูธรรมคนนั้นนะลกเตอร์วันลบได้บรรยายอยู่ที่สกุลลครว่าเอะผมไปเรียนเรื่องนี้ตั้งสิบสามปีในอเมริกา แต่มาได้คําตอบพี่หลวงพ่อเทียนว่าทําไมต้องต้องยกแบบนี้เพราะว่าคนไข้ของแกคนหนึ่งที่เมื่อก่อนแกเป็นนักจิตเวทเนาะจิตเวทสอนคนที่เป็นโรคจิตเนี่ยมีอยู่คนไข้คนหนึ่งเป็นคนไข้ของแกตอนตอนแรกก็รักษาแบบวิธีการของแกมันไม่ดีขึ้นแกบอกเออเนีนะ่ผมไปหาวิธีรักษาของผมก่อนสักพักหนึ่งก่อนนะกับปรากฏมาพระมาพบพระที่วัดสนามในสมัยนั้นนะนะนานแล้ว สมัยกับเกือบยีปีแนละ้วผู้วิศน้ำในก็แกก็มาทํากับพระวสนน้ำในทําอยู่หกเจวันปรากฏว่าไอจิตเวทโรคจิตที่แกเป็นอยู่มันมันดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องกินยาที่หมอให้มาทีานี้แกก็กลับไปจะไปถามว่าหมอที่รักษาแกนี่คือใช้การเคลื่อนไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวตรงนี้ ใ, ใ, ใครเป็นคนสอนกันแน่หลวงพ่อเทีนสอนหรือหมอวโรบสอนกันแน่ไปทำหมอวโรบว่า อ๋อผมไม่รู้จักหลงพ่อเทียนนะว่าขนาดยกเนี่ยเราเราสัมผัสกี่จุดตักหลักกี่จุดสามจุดใช่หมหนึ่งที่ไหนหน้าเข่าสองหน้าท้องสามหน้าอกใช่ไหมหมอวันรู้ว่าสามจุดเนี่ยมันเป็นจุดเกิดพลังของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปแตะบ่อยๆชัดๆแล้วเนี่ยพลังของชีวิตมันจะเพิ่มขึ้นก็เลยนิมนต์หลวงพ่อเทียนไปที่ตอนนั้นแกเป็นหมออยู่ที่สมัยก่อนมหาลัยศรีนครินทรวิโรจอยู่ที่ต่างอยู่ที่บ้านสมเด็จเนาะไม่สมเด็จพระยาท่านนั้น วิไลสมเด็จเจ้าพยานก็นมูลหลวงพ่อเทียนไปก็ไปคุยกันเรื่องเนี้ยว่าหลวงพ่อเห็นรู้เรื่องนี้มาจากไหนหลวงพ่อว่าเดิมเนี่ยท่านก็ทําหนอไปพุโทโธมานานแล้วตั้งแต่อายุสิบเอท่านเคยบวทเปน็นเนโน้ยแต่มาบทเป็นพระก็ทําเรื่องเฉพาะหนอกับพุโทโธนี่แต่ไม่อยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าทอดกรถินเพราะหลังจากที่ท่านออกไปเปิดฤๅหัสเนี่ยท่านก็ทํามาหากินถึงก็เป็นเป็นขุนหาบดีนะทำการส่งออกระหว่างไทยกับลาวนึง ทีนี้แต่ละปีก็จะมีพระวัด ต, ต่างๆมาขอพระป่ากรถินนี่ไงวันนั้น ป, ปีนั้นปรากฏว่ามีวัด ถ, ถึงห้าวัดมาขอกรถินท่านในช่วงจัดงานกรถินเนี่ยท่านก็มอบให้แม่บ้านเป็นคนจัด ก, การเรื่องการเงินการทองท่านก็แต่ทำหน้าที่รับแขกตอนที่จะงานจะเลิกหรืองานเลิกแล้วเนี่ยพวกหมอโลอมอลาพวกคอนเสิร์ตพวกอะไรต่างๆตามากระถินมณนอกกันเนาะก็ามาเอามาขอค่าจ้างรางวัลอะไรกัน ทีนี้หาแม่บ้านไม่เจอรู้เป็นไงไปหาท่านท่านก็เลยรู้สึกโกรธแม่บ้านว่าแบ่งหน้าที่กันแล้วทําไมคือมาขอตังค์ท่านท่านไม่ได้เอาตราวิที่ท่านว่าท่านรู้สึกนั้นเสียหน้าเป็นนะคือคิดว่าเป็นเศรษฐีย่อยๆหรือว่าเขามาขอตังค์ไม่ให้มีตังค์เขาค่าจ้างเลยก็เลยบ่นให้แม่บ้านว่าเราแบ่งหน้าที่กันแล้วตั้งแต่ก่อนงานอย่างโน้นนี้ทีนี้ท่านก็นึกไม่พอใจแล้วไปทอดกระถินกลับมาตอนเย็นมาตอนทานข้าวเย็นก็มาบ่นเรื่องนี้กับแม่บ้านอีกในการวงข้าว แม่บ้านโอ้โหนี่เราทอดแต่แม่บ้านนั่นไม่รู้สึกอะไรนะแม่บ้านท่านบอกว่าเราทอดกระทิมาถึงห้าวันแล้วค่อยตกนรกอยูย่จะได้บุญยังไงนะ่ท่านตกใจเลยโอ้จริงท่านไม่ได้ตอบสักคำนะท่านตึ๊กขึ้นมาในใจโอ้โหเราทอดกระทิห้ากองกกอยู่ตกนรกอยู่ไม่ได้บุญเลยนะแล้วบุญที่แท้จริงเป็นอย่างไรตั้งแต่นั้นมาท่านอธิษฐานไว่ในจิตข้าเอา ไปสแสวงหาวิธีที่จะกาจัดตัวเนี้ยกำจัดความรู้สึกไม่พอใจเนียถ้าเอาออกไม่ได้ท่านจะไม่กลับบ้านท่านบอกท่านจะไปตายหน้าเขาง้ไปตายเอาดับหน้าก็หลังจากนั้นไม่นานก็ลาจากแม่บ้านไปไปหาปฏิบัติจนไปทะลุถึงนู่นที่หนองคายอำเภอสีเชียงใหม่รู้ว่าที่นั่นมีการปฏิบัติแบบไหวนิ่งแใช้คำว่าไหวนิ่งแต่ท่านทำช้ามากไม่ไทาแบบเราทาช้าขึ้นมาตรงนี้ ขึ้นมาพอทำไปนานๆปับ๊บไหวนิ่งก็จะกลายเป็นหนอวางมือแล้วก็หนตอตอหลับตาเออท่านบอกว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างทําไมทําไม่ไหวให้ตลอดเคลื่อนให้ตลอดทําไมต้องมีการหยุดหลับตาด้วยจากช้าๆทำไมไม่ทําให้ไหวขึ้นเพื่ออะไรก็มารู้ทีหลังว่าถ้าการเคลื่อนไหวช้าๆมันจะกลายเป็นสมรถะไม่ต่างกับวิธีอื่นเป็นการเพ่งเป็นการกําหนดเป็นการจ้อง แต่ถ้าหาขยับให้ไวขึ้นนิดนึงนะไม่ถึงกับไวมากแนละ้วไวพอดีเนี่ยมันจะกลายเป็นการลำเลียงสติสัมปชัญญะเข้าสู่จิตเป็นการลำเลียงตัวรู้เข้าสู่จิตโดยอาศัยแต่ถ้าหากว่าช้าเกินไปมันจะกลายเป็นสมาธิและเป็นสมถะบังคับจิตสะกดจิตไม่ต่างกับวิธีอื่นแต่วิธีนี้เป็นการทําแต่พอดีเร็วก็พอดีช้าก็พอดีไอ้ตัวรู้ที่รับรู้แต่การเคลื่อนไหวแต่พอดีเนี่ยมันกลายเป็นตัวรู้ที่เป็นสติสัมปชัญญะ ก็เป็นการลำเลียงสติสัญญยาคเาสู่จิตเพราะท่านไดน้ท่านก็ทําต่อเนื่องอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่วาจริงทำทำแบบไอ้ใช้ช้แบบที่ว่ามาใกล้หย่อนเป็นสาแล้วพอท่านมาพบวิธีนี้ท่านบอกท่านทำแค่สามวันเข้าใจหมดเลยความกดก็หายไปโดยอัตโนมัติแล้ววันสุดท้ายก่อนที่จะกลับบ้านอาจารย์หาปันนั้นโทซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่สอนในสมัยนั้น mm hmm. ก็มาสอบอารมณ์ ว่าท่านจะผ่านอารมณ์วิปัสนาไหมก็มาสอบอารมณ์ว่าถามว่าพ่อออกตอนนั้นท่านไป ก, กู้เลือดหัดอยู่นะเป็นชาวบ้านถามว่าพ่อพริกเนี่ยเผ็ดไหมถ้าถามโยมอย่างนี้โยมจะตอบว่าไงพริกนี่เผ็ดไห ม, ไมเผ็ดใช่ไหมถ้าตอบว่าเผ็ดนะี่ผิดพริกไม่เผ็ดท่านว่าเอาทํำไมไม่เผ็ดอะ เพราะตอนนี้ยังไม่อยู่ที่ลิ้นตอบแบบคล้ายๆกลวๆ น, นะแต่ไม่ใช่นะนั่นคืออารมณ์วิปัสน า, า จ, จะตอบสิ่งที่ปรากฏชัดเท่านั้นปรากฏชัดเฉพาะหน้าเท่านั้นในขณะนี้ความเผ็ดไม่มีก็ต้องบอกว่าไม่มีใช่ไหมไม่ใช่ไปกลัวอาจารย์นะไม่ใช่นะหมายความว่าขณะนั้นอารมณ์ปัจจุบันของท่านตั้งมั่นแล้วขณะนั้นไม่มีรสพริกอยู่ที่ลิ้นจริงๆถึงจะเอาเกลือไปถ้าถามว่าเกลือเค็มไหมก็บอกว่าไม่เค็มเพราะเกลือไม่ได้อยู่ที่ลิ้นอ๋อ อาจารย์ก็เข้าใจว่าผ่านอารมณ์วิปัสนาแล้วแต่ว่าจะผ่านจริงหรือไม่มันจะไปอีกอารมณ์หนึ่งเรอยกเป็นวิปัสณูจากวิปัสนามันจะไปเป็นวิปัสนูพราะรู้วิปัสนามันมีความรู้เยอะแยะมันเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วเราไปสําคัญมันหมายความรู้เป็นเราเป็นของเราแล้วก็จะเพอ้อไปกับความรู้เขาเรียกว่าร้อนวิชานะติดวิปสัสณูท่านเขตั้งคาถามว่าอีกคำหรืงว่า เอาละสมัยนั้นการคมนาคมมันยังไม่เป็นแบบสมัยนี้ยังเป็นโด่งเป็นป่าอยู่เนาะประมาณ2ี30ิบปีก่อนเนี่ยท่านบอกว่าจากนี้ไปเนี่ยพ่อต้องกลับบ้านบางช่วงต้อ ง, องขึ้นรถบางครังไปเปลีน่นมาข้าังต้องเดินผ่านป่าแต่ถ้าหากไว้เดินผ่านป่าทราบว่าในป่า น, นี้มีเสือเจ็บทางเหนือในสักัดเสียสร้างเสียซ้ำมีเสือสเจ็บ อ, อ, อยู่ในป่านี้รู้ว่าเสือเจ็บเนี่ยมันดุหรือมันไม่ดุ มันดุมากๆแล้วมันเห็นอะไรมันมันเห็นอะไรมันกัดหมดรู้ว่าเสือดุอยู่ในป่า น, นี้ท่านจะกล้าเดินผ่านไหมบอกกล้าเอาทําไมไม่กลัวเสือเพราะที่ผมไปเสือตัวนั้นอาจจะไปที่อื่นแล้วก็ได้หรือถ้าเสือตัวนั้นมีอยู่ผมอาจจะสู้เสือก็ได้ทีนี้อาจารย์ถามนี่เพราะอะไรถามว่าเมื่อท่านกลับไปนี้เมื่อมีความคิดทั้งพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเนี่ยท่านจะสู้มันได้ไหมท่านถามอย่างนี้ แต่มันเป็นนา ม, มาทําใช่ไหมท่านก็เลยมาถามว่าเสือเจ็บซะอันนี้คือวิธีการสอบถามครูอาจารย์ว่าผมอาจจะสู้มันได้หรือเสือเจ็บตัว่องนีน้อาจจะไปที่อื่นแล้วก็ได้ถ้าสมมุติว่าผมกลัวผมก็ไม่ได้ไปใช่ไหมแต่ต้องไปอันนี้เหมือนกันถ้าหาว่าปฏิบัติแล้วเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อยู่แก้ไขไม่ได้เนี่ยท่านไม่รับผิดชอบนะไอ้หนองนี้ท่านจะบอกว่าอย่างนี้เหมือนกันถ้าไปนี้แล้วเกิดอารมวิปสณูวิปราช อะไรเกิดขึ้นเป็นบิดเป็นบ้าเป็นป่วงอะไรไปเนี่ยท่านไม่รับชอมนะถ้าหากว่าไปดทูที่มันะจะไปมั่นใจว่ารู้แล้วนี่นะท่านบอกอรู้แล้วอาจจะสู้เสือก็ได้ท่านบอกว่าพอท่านตอบแบบนี้ปับ๊บอาจารย์นั่เกิดยืนยันโอ้จบอารมณ์วิปัสสนากลับได้นะี่ยนันนี้คือวิธีการว่าถ้าเป็นอารมณ์เป็นปัจจุบันนั้นจะรู้เฉพาะสิ่งที่สัมผัสขณะนี้นะ ถ้ามาถามโยมว่ายมรู้สึกสบายหรือไม่สบายขนาดนี้โ ย, ยมจะตอบว่าไงไาถ้าตอบว่าสบายนี่ไม่ใช่นะเพราะขนาด น, นี้เรากําลังไม่สบายใช่ไหมเออคือนั่งปวดหน้าปวดหลังบิดไปบิดมาอยู่เนี่ยมันไม่สบายนะก็ต้องตอบว่าไม่สบายโดยที่ไม่ต้องเกรงใจใครแต่เราพูดตามความจริงนี่ลักษณะของอวิปัสสนานะดังนั้นการเคลื่อนไหวตัวนี้มันไปกับตุ้นพลังของชีวิต<ไ>สามจุดด้วยกันหนึ่ง หน้าขาสองหน้าท้องสามหน้าอกอาจารย์หมอวรลรบจะบอกเออผมก็เทียนไปรู้จุดที่ได้เพราะว่าแกก็เพิ่งรู้ไม่นานว่าพลังของชิ้นมีอยู่สามจุดแค่นี้เองคือหน้าขาหน้าท้องแล้วก็หน้าอกเนี่ยมันไปจะโดยบังเอิญวิ่งไงไม่รู้นะก็มากระตุ้นไสางจุดนั้นเวลาเราสร้างจังหวะเราจะทําแบบเบาๆลอยๆเนี่ยโดยที่ไม่ถูกจุดตรงนั้นไม่ชัดนะ พลังของชีวิตก็จะไม่เกิดเวลาทําก็ต้องทําแนบเข้ามาที่หน้าท้องชั ด, ชดรูปมโนอกชัดๆรู้ให้ชัดๆอย่างนแต่พอทํานานไปบางคนเป็นแล้วก็ทําบ้องไว่แ ไ, ไปเลยนะเอ้ามีหน้าทาแล้วมันเฟินอนะทาไปเฟินก็ไหลไปเลยทีนี้มันก็ไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นก็ในการปฏิบัติแบบนี้ทีนี้ในช่วงที่บรรยายก่อนที่บรรยายจบมาบอกว่า กาใครมีข้อสงสัยอะไรจะถามไหมนีม่ฝรั่งคนนึงก็ถามว่าเอ๊ะวิธีนี้มีดิเทชันเป็นของพุทธให้ศาสนาอื่นจะปฏิบัติด้วยได้ไหมอมาก็ถามย้อนบอกว่าคุณว่าลมหายใจเนี่ยเป็นของาศาสนาไหนโอ้เขาเก็ทันทีเลยนะอใช่ใช่ช่บอกงั้นบอกมดิเทชันเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของาศาสนามันเป็น the way of life ในวิธีการนี้เป็นวิถีชีวิตนะ แต่อาจจะเรียกไปตามศาสนานั้นนั้นแต่ว่าตัวจริงคือการเคลื่อ y, น, นไหวเนี่ยใครบ้างที่มีชีวิตอยู่จะไม่เคลื่อนไหวใช่ไหมเพียงแต่ว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดมันไม่มีพลังที่จะดับทุกได้เพราะอะไรเพราะเคลื่อนไหวโดยอํานาจของสติตัวไหนสัญชาติญาณสัญชาตญาณสัญชาติญ า, น, น, า, า น, นี่แม้แต่ว่าแต่คนไม่ได้สัตว์มันก็บําบัดให้มันได้ใช่ไหมหมูหมากาไก่เวลามันหิวเวลามันนอนที่กันําก็ลุกขึ้นมันไปเองเวลามันหิวก็หากิน เวลามันกลัวมันก็วิ่งหนีด้วยสติทั้งนั้นแหละจะเป็นสัญชาตญาณแต่สติที่เป็นปัญญาญาณเนี่ยต้องมาตามระลึกอย่างที่ว่านี่เรียกว่าอนุปัสนาไม่ใช่คําว่าแต่ในภาษาเวลาเราสวดพิจารณาเห็นการในกา ย, ยังไม่ถูนะว่าไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช้คําว่าพิจารณาใช่ว่าอนุปัสนาอนุปัสนาแปลว่าตามรู้ตามเห็นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวเราให้ตามรู้เข้าไปแต่ไอตัวที่ตามรู้ของเรามีได้อย่าง ยังไม่มีบางทีเราอยู่กับการความไม่รู้มาตลอดชีวิตเราจะมาสร้างวิชานะที่เรายกนี่เป็นวิชาหนึ่งวิชาตามรู้นะอนุปัสนากายานุปัสนาสติมีคำว่ากายานุปัสนาสติปฐานคําเต็มเขาใช่ไหมคำบวชกายาอนุปัสนาสติแล้วก็ปัฐฐานที่ตั้งของการตามรู้คือกายที่ตั้ ง, งการตามรู้คือความรู้สึกเวทนา ที่ตั้งการจำรู้คือจิตความคิดที่ตั้งการจำรู้คืออารมณ์ดีและไม่ดีมีอยู่4สถานเขาเรียกว่าสีิประฐาน4แล้วก็เราเข้าไปตจำรู้เรื่อยๆตจำรู้ไปเรื่อยๆตราบใดที่มีการเคลื่อนไหวอยู่4ระดับการเคลื่อนไหวระดับกายอย่างที่เรายกนี้เป็นกายและในกายนี้มีการเคลื่อนไหวระดับที่2 อ, อยู่มีเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงเจ็บปวดหนักเบามีอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตจำรู้ตัวนั้นด้วยในขณะที่เรานั่งอยู่ที่นี่ใจเราคิดหรือไม่คิด คิดดีหรือไม่ดีเราเขาตามรู้ด้วยจิตของเราจะการที่จิตของเรามันไปคิดเรียกว่ามันเคลื่อนไหวนะแต่ว่าเนื่องจากมันเคลื่อนไหวด้วยความถี่ที่สูงมากแล้วก็จะไฮฟรีแควนซีนะไฮฟรีแควนซีมีความถี่ที่สูงมากที่เราไม่สามารถจะตามกดดําหนดรู้มันทันทีได้ลําพังสติที่เป็นสัญชตาตญาณไม่สามารถจะไปคาดับหรือว่าจับจิตมาได้ แต่เราต้องฝึกสติอีกระดับหนึ่งเรียก ว, ว่าสติปัฐานนี่แหละเพื่อให้เพิ่มกําลังและความเร็วของจิตให้มีความถี่สูงเท่ากับจิตถ้าหากว่าเราฝึกสติความรู้สึกตัวอย่างความถี่ยังไม่สูงพอเนี่ยเราก็จะไปดึงจิตกลับมาไม่ได้ดังนั้นเราจึงใช้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นตัวสร้างพลังกําลังของสติเพื่อมันจะมีความแม่นยําและความว่องไวที่สูงมากแต่ว่า ความรู้สึกตัวที่เราสร้างขึ้นจากลมหายใจเข้าและออกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวที่แคบที่เบาลมหายใจด้ยมเคยมองเห็นไหมเป็นตัวยังไงแต่มือยกไม่เห็นใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราสัมผัสได้ถามว่าเรานั่งกำหนดรู้ลมหายใจไปนานๆานมันอยู่ในระดับเดิมไหมลึกตื้นสั้นยาวอยู่ในระดับเดิมไหมไม่ใช่ไห ม, มนานไปนานไปมันจะเบาเ บ, า, บาจน<แ>รู้สึกไม่ได้ อ่าไม่รู้สึกเลยแล้วเราก็เป็นไงเราเค่อยจะหลับโ <c oughs> ดยอัตโนมัตเลยเ <c oughs> ออ่ไม่พูดไม่รู้ตัวเลยนะมันจะเข้าก็วางหลับกันเลยแต่ตราบใดที่เราลืมตาข ย, านยนันยกเนีราก็ยังตื่นตัวได้เท่าเดิมนะเพราะนั้นตัวเนี้ยสําคัญอดังนั้นเองมาว่าเราโชคดีที่ได้เจอเรื่องนี้นะแต่สําหรับคนที่รับได้นะคนที่ไม่รับไม่ได้ก็เยอะที่เจอแล้วก็รับไม่ได้เพราะยังโชคยังไม่ โชคยังไม่มาวัฒนารยังไม่มีแต่คนไหนโชคมาวัฒนธดีอย่างคุณคุณแบงค์ทำสองสามทีเอาไปสอนได้เฉยเลยนะแล้วก็มีเพื่อนทั้งคนอ่าไทยทั้งคนเยอรมันมาเรียนด้วยเออเอาเอาวิธีนี้ไปสอนโดยที่ต้องมไม่ต้องให้เ้ารู้เป็นกรรมฐานใช่ไหมรู้ว่าเป็นอะไรเป็นชี้โกงเหให้รู้ว่าเป็นสมาธิเฉยๆเสฉยพราะในที่โกงในโยค่านี่มันก็สอนเรื่องสมาธิอยู่แล้วใช่ไหม อันนี้ก็วิธีหนึ่งตอนหลังมาเอามาก็เอาการเคลื่อนไหวเนี่ยกับลมหายใจมาบวกกันมาบวกกันในขณะเคลื่อนไหวถ้ามีนิวรณ์เข้านะถ้าความง่วงก็ดีความเบื่อความขี้เกียจความหมุดหงิดความฟุ้งซ่านความลังเลสงสัยเข้าเนี่ยเราก็จะเอาสร้างเคลื่อนไหวดีมันไ ม, ม่พอแล้วเอาลมหายใจเข้าไปดึงดึงลมหายใจลึกๆตอนหลังมาก็ไปเจ อ, อการหายใจแบบเคลื่อนไหวของอาจารย์ สมพร น, นะรองศาสตราจารย์สมพรเราโดยสมพรกันทรนะอุศรีนะมาก็ไปดูอ่ะนี่หายใจด้วยเคลื่อนไหวด้วยดีเนี่ยน่าจะประยุกต์กับการใช้การเคลื่อนไหวแบบ น, นี้เวลามีนิวอน์นก็เอาเข้ามาใช้ก็ปรปากฏว่าเอาได้ผลดีเวลาเดินไปหายใจเข้าลึกที่สุดแล้วยู่ไปสาวินาทีโดยจวมๆแล้วหายใจออกหายาที่สุด ดึงไปถึงมาอามาสอบเออใช้ได้แล้วก็ไปเที่ยวนี้ <c oughs> ไปยุโรปอเมริกาเทวนี้เลยก็เอาเรื่องนี้ไปไ ป, ไปทําการว <c oughs> ิจัยด้วยนะก็ได้ผลนะผลเข้าใจภายในเวลาวันสองวันยังโยมเจี๊ยบเนี่ยพอวันที่สองเลยเนาะได้ปิติเลยึยังเจียบนี่มาจากเชียรโก้อยู่ข้างหลังเข้าค้ออยู่ที่ชียรโก้วัฒนารามนะจากเมื่อก่อนห้าวัน7วันถึงจะได้ปิติได้ลมนี้แค่วันสวันได้ละ แต่ว่าทุกครั้งเมื่อเกิดเบื่อเกิดเงาเกิดพว่งเกิดขี้เกียนหรือเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาเนี่ยเราใช้ตัวนี้เลยเอารมณหายใจเขาช่วยนะแล้วมันก็เป็นประโยชน์ต่อการรักษาโรคต่างๆในร่างกายกเพราะลมหายใจลึกๆที่สุดเนี่ยมันทําให้เกิดอะไรออกซิเจนใช่ไหมคอนเซปต์ของมันก็คือการที่เราง่วงเนี่ยเพราะออกซิเจนในสมองเรา น, น้อยลงใช่ไหมเมื่อเราสูดลมหายใจลึกๆมันก็จะไปเพิ่มออกซิเจนไอ้กัน การที่กั้นลมหายใจ3วินาทีเขาบอกว่าในขณะที่เรากั้นเนี่ยตัวออกซิเจนมันจะเปลี่ยนเป็นเอนไซม์ตัวเอนไซมนี่นจะไปทำให้สมองสดชื่นขึ้นมาอ๋อตัวนี้เองอาจารย์สมพรจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร์เนาะจะจบกลางวนพิโดนิสารน่าสุขศาสปัจจุบันก็เลยได้ทุนสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะสอนเรื่องเอเาเรียก SKT เนี่ยต่อมาก็มีคนแนะนาว่าการขึ้นร้ออีแบบนึงผสมกับลมหายใจเหมือนกันคือ d e Five Today h to t อันนี้ใครสนใจก็ไปพิมพ์ดูด้วยเดอร์ไฟก็ห้าท่าใช้ห้าท่าเดอร์ไฟที่เบสทันไรก็คือวิธีการเจริญกรรมฐานแบบที่เบส น, นะแบบที่เบตมาก็ทําทุกเชา้าหลังจาทําเรื่องนี้มาร่างกายก็เข้มแข็งนะร่างกายก็ดีแล้วปรากฏว่าก็ตนหลังมาบูรณาการเรื่องอาหารการออกกำลังกายการดื่มน้ําการทํากรรมฐานบูรณาการสมดุดเพราะฉะนั้นคนไหนคนไหนที่ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็จัดการตามนี้ปั๊บเนี่ย จะได้สุขภาพกายดีสุขภาพจิตก็เข้มแข็งโกรธไม่เป็นเกลียดไม่เป็นโมโหไม่เป็นคิดก็ไม่ค่อยเป็นเลยนะเมื่อไหร่สั่งให้คิดถึงคิดนะถ้าไม่สั่งให้คิดมันก็ไม่คิดนะีเอขอข้อท่าเดียแบบนี้นะเพราะอะไรตอนที่มันไม่คิดมันก็ไม่อยู่ดูกายใช่ไหมเพรานะดูกายตั้งสีฐานนะดูกายก็ไดดูเวทนาก็ได้ดูคิดก็ได้ดูอารมณ์ก็ได้มันจะเคลื่อนไหวเป็นยังไงเพราะการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยเป็นเคลื่อนไหวที่หยากที่สุดใช่ไหมถ้าตามดูให้ชํานาญ ทั้งดีบทใหญ่ที่บทย่อยแล้วก็ในขณะที่เรานั่งเนี่ยมันเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงในร่างกายเราคก็ตามดูตรงนั้นอีกมันก็เป็นการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวของจิตออกมาเป็นความคิดการเคลื่อนไหวของอารมณ์ออกมาเป็นความดีอารมณ์ดีหรือไม่ดีก็ดูทั้ง4ฐานนี้ก็เราถอดว่าเราก็สั่งความคิดได้ที่นี้เมื่อก่อนความคิดสั่งเราใช่ไหมทีแล้วก็กลับไปสั่งมันถ้าความคิดสั่งเรามันสั่งด้วยอำนาจของความอยากคือตัณหาแต่ถ้าเราสั่งความคิดได้เราสั่งด้วยอำนาจของปัญญา แลเขาเปลี่ยนแปลงตัวรู้ตัวนั้นที่เป็นสัญชาติยานให้เป็นปัญญายานอันนี้คือคอนเซปต์ระลักของมันนะคุณก็เลยเริ่มไม่เปลี่ยนให้ผมเลยเนะี่ยรู้จั ก, จกเอาเดเวอร์ชั่นเดียวมาได้หมุนไปตามนั่นเลยน่นเพรามารู้จกักควีชั่นที่สี่ว่ารู้จักอันนี้จังทุกหน้าตาเพื่อรู้จักการดับอะมาจุดนี้ป็ดเป็นหมดเวลานะพูดถึงเรื่องชุดนีชุดหนึ่งใน ล, ลึกที่สุดเนี่ย ในชีวิตของคนเรามันมีของคู่อยู่นะนะมีของคู่อยู่เช่นหายใจเข้าคู่กับหายใจออกนะแล้วการหยุดคู่กับการเคลื่อนอาการหนาวคู่กับอาการร้อนอ่าเป็นคู่หมผู้หญิงคู่กับผู้ชายสบายคู่กับความไม่สบายโง่คู่กับฉลาดอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นของคู่ทั้งหมดนะ ดังนั้นของคู่นี้เกิดจากอะไรกําเนิดของมันใจของเราทำงานอยู่สองอย่างคือการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมันมาจากต้นกําเนิดตัวนั้นที่เราเคลื่อน ไ, วไหวอะไรได้นี่นะเย็นร้อนอ่อนแข็งเช่งถ้ทั้งหมดมาจากทีนี้ไอ้การเกิดดับเนี่ยการเกิดเช่นตัวเรานั่งความสบายไม่สบายมันเกิดความไม่สบายเกิดพอลุกขึ้นความไม่สบายดับไป ความสบายเกิดขึ้นการของคู่มันมีการเกิดการดับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่อีกตัวหนึ่งที่มันรู้จักใช้การเกิดดับให้เป็นตัวนี้คือตัวรู้นะคือตัวเราต้องมาฝึกตัวรู้เพื่อเราจะได้อยู่เหนือการเกิดดับอยู่เหนือของคู่อยู่เหนือความพอใจและไม่พอใจอยู่เหนือความเป็หญิงเป็นชายอยู่เหนือความสุขความทุกข์ก็คือเอาตัวเกิดดับเนี่ยมาแปลงเป็นตัวรู้เพราะนั้นเวลาให้รู้การเกิด คือการเคลื่อนแล้วรู้การดับคือการหยุดเวลาเคลื่อนขึ้นเกิดใช่ไหม <Ừ. S 1> การเคลื่อนคือการเกิดพอหยุดก็การเกิดเป็นไงก็ดับไปคือเคลื่อนก็เกิดใหม่พอหยุดก็ดับมารู้การเกิดดับระดับกายหรือว่าการหยุดกับการเคลื่อนร้อนหนาวเย็นร้อนอเข้าออกสูดดําอะไรพวกนี้มันจะเป็นการเกิดดับของรูปเรียกว่าสมมุตินะ่ะ มันก็รู้แบบสัญญาตอนแรกรู้แบบสัญญาให้จำไว้ก่อนเออการเคลื่อนเราก็จึงมารู้กับการเคลื่อนไหวของกายการเคลื่อนไหวเป็นการเกิดแล้วก็หยุดกการดับเพราะฉะนั้นเราลื่นไปอย่างนี้ก็คือความถิวของการเกิดดับที่สูงมากใช่ไแต่ความจริงมันการที่เลื่อนไปอย่างนี้มันก็คือตึกตึกตึ ก, ต, ก, ต, กตึกนั่เองเขาเรียกว่าระบบอะไรนะ Digital, ดิจิลใช่ไระบบดิจิทอลก็มีการเกิ ด, ดการดับนั้น วิทยาศาสตร์ก็เลยเอามาขยายจากการเกิดดับเนี่ยมาที่ความถี่สูงเป็นระบบดิจิตอลเสียนั้นร่างกายของเราอะไรก็ทำที่เป็นเส้นสายเนี่ยมันมองไม่เห็นนันการเจริญสติเพื่อเห็นการเกิดดับท่านบอกให้ทําเหมือนลูกโซ่นะแต่ถ้าทําเป็นเส้นยาวเหมือนเหล็กเส้นเนี่ยเป็นไงแยกไม่ออกเรายืดหยุ่นได้ไหม ไ, ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเกิดดับมันจะยืดหยุ่นได้เหมือนข้อข้ อ, ข, อข้อโซ่ยืดหยุ่นได้ว่าให้เจริญสติปัฏฐาน เป็นต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ท่นใช่ว่าอันนี้เป็นคําจํากัด น, นะเหมือนลูกโซ่ให้ต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่แต่ไม่ใช่ต่อเนื่องมืะเหล็กเส้นถ้าต่อเนื่องมะเหล็กเส้นมันเป็นสมถะคือมันทื่อมันไม่แ flexible มันไม่ปรับไม่ได้ไม่ไม่ยืดหยุ่นว่าไงเถอะเราก็จะเกร็งเครียดตึงหนักใช่ไหมพวกที่ทําสมถะพวกที่ทําแบบกําหนดมันเป็นการตึงมีการเกิดตลอดเวลาแต่ไม่มีการดับหรือมีการดับตลอดเวลาแต่ไม่มีการเกิ ด, ดการเกิดกับดับไม่สมดุลกัน เราก็เลยทำให้เกร็งให้เครียดให้ตึงให้หนักหน่วงอันนี้คือโทษธันแต่ถ้าหากเราทำไปลักษณะการเคลื่อนไหวไมใส่เรื่องสำเกิดดับนี่หยุดแล้วเคลื่อนนั่งนานๆแล้วก็ลุกขึ้นได้เดินเพราะนั้นในวิธีการของโพฒเทียนจึงไม่จำกัดอินเียบทคุณจะนั่งวิธีไหนก็ได้จะนั่งเหยียดขานั่งทับสน้นภ้าเพียบซ้ายผ้าเพียบขวามามาผลิตได้ถึงสิบท่านะหนึ่ง เพรียบซ้ายสองพระเพียบขวาสามนั่งทับสนสี่นั่งคู่เขา่าห้า น, นั่งชันเขา่าหกนั่งเหยียดขาเจ็ดนั่งขจรมานหนึ่งแปดนั่งสมาร ส, สองแล้วคบางคนนั่งสามชั้นได้วยขนมาสามสีก็สิบ ก, ก็ยืนนะได้สิบท่าในการยืนทำนั่งทำเลยนะนอนก็ได้เออดื่มนอนไปเนาะได้หลอนึงพอดีนะแต่นอนนี่ไม่ค่อยได้ใช้กลางวันนะให้นอนเ็อะขึ้นเลย คือนอนไม่หลัก็ทําทำจนทำจนหลับนะั่นแหละนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าอยากจะให้ไปไม่ต้องเชื่อนะวิธีนี้ไม่ได้สอนให้เชื่อนะให้ไปทําดูก่อนแต่ทําให้มันถึงที่นะทําไม่ถึงที่บอกว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้ต้องทําให้มันถึงที่หมายเขาทาแล้วค่อยทดสอบทําเพื่อการศึกษาทําเพื่อการวิจัยไม่ใช่ทาเพื่ออยากได้ถ้าทําเพื่ออยากได้มันจะไม่ได้แต่ทําเพื่อการศึกษาว่ามันมีอะไรแล้วทดสอบกัน เดินดูเกนเินการขึ้นไหวใช่ไหมแล้วรู้หรือเปล่าว่าขายกยังไงก้าวไปยังไงเหยียบอย่างไรรู้รู้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเวลาจะทําอะไรสักอย่างมือเคลื่อนไปมันก็จะมีอยู่2ขณะเนื่องจากว่าเราอยู่กับความเคยชินอวิชามาตลอดชีวิตไอการหยุดการเคลื่อนมันก็เลยต่อกันเป็นเล็กเส้นนะต่อกันแทนที่มันจะเป็นรูปโซ่เป็นเหล็กเส้นไปทําให้เราชีวิตมันเร่ร้อนหรือเครียด แต่พอเรามาทำแบบสบายๆเคลื่อนไหวแบบสบายๆแบบอ่อนโยนนุ่มนวลให้เห็นการหยุดการเคลื่อนชัดเจนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นตัวผ่อนคลายชีวิตนี่เราจะสบายนะเพราะนั้นในช่งชวงเช้าเนี่ยก่อนที่จะจบไปทานข้าววันนี้ใครมีข้อสงสัยจะถามให้ถามก่อนนะเพราะในช่วงบ่ายจะเป็นภาคปฏิบัติช่งชวงเช้านี้แต่ทุกคนเคลื่อนสร้างจังหวะได้ทุกคนใช่ไหม สำหรับคนไหนที่ยังสร้างยี่หไม่เป็นยกมือขึ้นหรือว่าทุกคนเป็นแล้วนะช่วงบ่ายหลังจากทานอาหารแล้วเราจะแยกกลุ่มกันปฏิบัติดเดินจงกรมสาธิตเดินจงกรมก่อนหลังจากสาธิตเดินจงกรมแล้วเราเร า, เรามานั่งปฏิบัติกันดูว่าคนไหนมาจับเคลื่อนจับไหวจับอะไรเป็นไหมถ้าคนไหนจับเป็นแล้วก็จะปฏิบัติได้เลยแต่คนไหนยังจับอาการเคลื่อนการหยุดกันเคลื่อนกันอยู่จะไม่ชัดก็ต้องมาซักซ้อมกันใหม่ เพราะอะไรเพราะการเคลื่อนไหวมีคือเราแต่เวลาเพราะนั้นเราจะทําเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวให้เป็นการตัวรู้ได้อันนี้เป้าหมายของเราถ้าเป็นเป็นตัวรู้ได้สําเร็จก็หมายความว่าเราก็รู้ทําไปแล้วครึ่ ง, งแล้วมีไหมมีใครสงสัยไหม อ, อ๋อนั่นทีมันจะต้องรู้ตรงนั้นด้วยคําว่าหยุดเนี่ยมันหมายถึงมีการแตเกเกิดขึ้นใช่ไหมการแตกแล้วก็จะรู้สึกตรงนั้นรู้สึกที่ขามันมีการหยุดของมือก็จริงแต่การเกิดใหม่ของความรู้สึกนั้นมันเกิด คือเกิดแล้วก็ดังดับมันทําให้เกิดใหม่ไงเกิดวันอันใหม่คือการหยุดข้อมือทําให้เกิดความรู้สึกที่ขาการเกิดนี้เกิดขึ้นการเกิดชนิดที่เรารู้เรียกว่าเป็นตัวรู้ลัทธิเนื้อตัวรู้เกิดขึ้นจากการที่ตามรู้การหยุดและการเคลื่อนหรือตามรู้การเกิดและการดับของกายเกิดเป็นตัวรู้ขึ้นมาใหม่ตรงนี้เขาเรียกว่าสตินันคือตามรูที่จุดที่สัมผัสกันได้สัมผัสกันได้แต่สติที่เป็นโดกียาณ แต่ที่เรารู้สัมผัสเคลื่อนไหวตลอดทั้งวันเนี่ยก็ยังเป็นสติเมืันกันจะเป็นโลอุตรัศหมายคก็เป็นสัญชาตญาณอยู่สัญชาตญาณมันก็เกิดมากับเราแล้วน่าจะเกิดแต่เราจะเปลี่ยนตัวสัญชาตญาณนี้ให้เป็นปัญญายาได้เนี่ยก็ตรงที่เรามาตั้งใจรู้อีกทีหนึงการตั้งใจรู้นี่เองเป็นปัญญายาเพราะมันมีสมาธิอยู่ในนั้นส่วนใหญ่เราเคลื่อนไหวไม่ได้ตั้งใจรู้เนี่ยมันก็ไปข้างบนเรื่อยๆใช่ไหม ดังนั้นการเคลื่อนไหวมาตลอดชีวิตเนี่ยมันเป็นพลังงานมหาศาลแต่ว่าเราไม่เคยเข้าไปใช้มันไม่เคยไปเปลี่ยนแปลงมันเหมือนน้าที่ฝนตกมาแต่อดเวลาน้ำเนี่ยไหลลงทะเลมหาศาลใช่ไหมแต่ว่าพอมันเกิดเทคโนโลยีสมัยใหม่ขึ้นมามาสร้างคันกั้นน้ำํำคือเขื่อนใช่ไหมเราก็สามารถเก็บเอาการเคลื่อนไหวของน้ําทุกเม็ดที่จะไหลลงมาเก็บกักไว้ ก็ามาปรับเปลี่ยนเป็นให้เป็นประโยชน์ทางการเกษตรทางการไฟฟ้านั้นเขื่อนตรงนั้นเกิดสมมุนติเปิดสมิสติที่สร้างเขื่นขึ้นมาสามารถการสกัดก้นการไหลของน้ำได้สมาธิก็คือการที่มีน้ําอยู่เหนือเขื่อนจํานวนมหาศาลปัญญาคือการระบายน้ําอยู่เหนือเขื่อนออกไปใช้ตามต้องการเพราะนั้นสติสมาธิปัญญาเกิด กับเราก็เหมือนกันการเคลื่อนไหวที่เรามีอยู่ตลอดเวลาโดยสัญ ญ, ญาณเอาสติเข้าไปแปลแปลตัวสั ญ, ญญาณของการเคลื่อนไหวนี้ให้เป็นตัวรู้อันนี้คือสติเป็นเคลื่อนละแล้วก็ตั้งใจทําตั้งใจที่ให้ตัวรู้เกิดตลอดตั้งใจแล้วรับรู้ตลอดเป็นสมาธิบางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรสมาธิมีสองแบบคือสมาธิเป็นกับสมาธิตายสมาธิเป็นหมายความว่าเรารู้อยู่มันเกิดอย่างไร แต่สมาธิตายหมายควาว่ามันเกิดแล้วเราไม่รู้ว่ามาจากไหนเพียงแต่นั่งหลับตาสงบแล้วสมาธิสมาธิมันเกิดแบบไหนตัวใจมันนิ่งแต่เราไม่รู้ที่ไปที่มาของมันอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสมาธิแบบตายวิสมาถะสมาธิแบบเป็นคือรู้ว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันตลอดเวลานะนั้นอยากจะถามว่ากายกับใจหรือรูปกับนามตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับ กายกับใจตัวไหนเป็นเกิดตัวไหนเป็นดับเพราะว่าพลังงานในโลกนี้เกิดจากสออย่างคือการเกิดดับเขาเรียกว่าอะไรนักดิโพกับโพสติโพใช่ไหมแสงสว่างเกิดขึ้นพวกไฟแค่สองขั้วขั้วลบขั้วบวกแค่นั้นเองแต่ขัวข้วลบวกับวก บ, วกบวกที่ทํางานแต่โพดิโพดีคือเป็นแสงสว่างแต่ว่าลบมากกว่าบวกบวกมากกว่าลบอะไยไฟจะไม่ติดงที่ไฟช็อต แต่พอเกิดสัมผัสกันแต่ในอัตตาส่นที่ผุดขึ้นเป็นแสงสว่างกายกับใจรูปกลางนามสัมผัสกันในพอดีนีนจุดํา ม, มัชิมาปฏิวัติกรอให้เกิดแสงสว่างคือดวงปัญญาอันนี้คือที่ไปที่มาของมันในตัวเกิดนั้นมีดับอยู่ในตัวดับมีเกิดอยู่ในอันตัยสนที่เท่ากันจึงกลายเป็นตัวรู้เข้าใจัหมเพราะฉะนั้นตอนแรกนี่จะรูปอะไรไม่รู้อะไรก็ทําไปเรื่อยๆก่อนก็แล้วกัน วันหนึ่งเพราะมันเกิดปัญญาขึ้นมันจะรู้ทะลุไปเองเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้ต้องใช้อะไรใช้ขันติคือใช้เมตทลณีเมตทลณีเข้มแข็งสั่งสมน้ำมากเข้ามาเข้าเดี๋ยวก็บีบมือโ ผ, ผมบ อ, อกเองคือปัญญาก็เกิดนะถ้าไม่มีทลณีก็ไม่ได้บีบมือผมถ้าไม่มีความอดทนก็จะไม่เกิดปัญญาเพราะนั้นอดทนทำเพราะนั้นสั ญ, ญลักษณ์ตรงนั้นเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดความอดทนและปัญญาการจิตในจิตใช่ไหมจิตในจิต โยมลุกขึ้นแล้วก็ถามในขณะนั้นจิตเกิดตรงไหนก่อนอความรู้สึกเกิดตรงไหนก่อนอความอยากใช่ไหมนั่นแหละเมื่อความอยากเกิดจิตก็เกิดเมื่อความอยากดับจิตก็ดับเหลือแต่วิชาและปัญญาล้วนๆแต่อยากมีสองอยากหนึ่งอยากด้วยอยากรู้ด้วยปัญญาใช่ด้วยอยากตัวนี้ ความจริงตัวหยาคกกือตัวปัญญาคือตันหากับปัญญาเนี่ยมาเป็นขบวนการเดียวกันแต่ว่าตัวที่จะทําให้เกิดปเป็นตันหาหรือปัญญาถึงว่าเป็นความรู้ที่เป็นสัมมาทิฐิหรือเป็นวิชชาทิฐินะถ้าหากว่าอยากคือไปถามรองภูมิรู้อาจารย์รู้จริงหรือเปล่านะไปะถามไปอันนี้เป็นวิชชาทิฐินะโดยนั้นเป็นอวิชาเป็นตันห า, า, าแต่ว่าเออถามพ่อไม่รู้จริ ง, รงๆถามแล้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาต่างกันนะ เพราะฉะนั้นความอยากอาจจะเป็นได้ทั้งตัณหาและปัญญาขึ้นอยู่กับว่าหัวหน้าขาบนเนี่ยเป็นถูกหรือผิดเท่านั้นเองเป็นมิจฉาทิสัมมาเข้าใจนะเพราะฉะนั้นความการเกิดดับก็จะมีสองลักษณะเกิดดับด้วยอวิชชาและเกิดดับด้วยวิชาอย่างจริงก็เกิดดับตลอดเวลาใช่ไหมเราจะรู้หรือไม่รู้ว่าเกิดดับแต่ส่วนใหญ่เราไม่ได้ฝึกตัวรู้คือไม่ได้ฝึกสติเอาไว้ส่วนใหญ่เก้าสซมันก็เกิดด้วยอวิชชาคือก็ทําอะไรได้เหมือนเดิม แต่ว่ามันไม่เกิดตัวรู้เพรา่องนั้นเองเมื่อไม่เกิดตัวรู้ไม่เกิดสติจะเกิดสีทั้งที่ปัญญามั้งก็ไม่เกิดมันก็เกิดอะไตาค้าศูนย์โมหะขึ้นมาแทนเวลาข้าศูนย์โมหาก็ทําให้เราคลายกับใจห่างไปเรื่อยเรื่อก็การเวีนว่าแต่เกิดก็ปรากฏก็หมดเวลาพอดีเนาะ